สวัสดีครับผมขออนุญาตเริ่มการประชุมวันนี้นะครับวันนี้มีวาระที่เราได้เชิญอาจารย์ประมวลพินจันมาพูดปุึกกับเราเรื่องการศึกษาเรื่องความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งเป็นผลจากการหาเรื่อนเมื่อเท่าที่แล้วว่าประเด็นที่เราจะให้ความสำคัญสนใจที่จะดูต่อจากนี้ไปเนี่ยจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องของความเป็นมนุษย์ ทั้งในแง่ของออการแพทย์ที่มีหัวใจในความเป็นมนุษย์ที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วบ้างรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่จะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมมากขึ้นของกระบวนการต่างๆเช่นการศึกษาหรือการพัฒนา อ, าอื่นๆนะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้เชิญอาจารย์ประมวลนําเสนอเนี่ยขอชี้แจงเอกสารกับอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเอกสารวันนี้จะมีหลายชุดหน่อยนะครับมี สรุปายงานการประชุมเชื้อี้เมื่อคราวที่แล้วที่เราคุยกันนะครับแล้วก็มีการแนะนำหนังสือร้อยเล่มสู่จิตสานึกใหม่ซึ่งเริ่มมีทยอยสรุปเนื้อหาของหนังสือที่น่าสนใจออกมาแล้วนะครับก็จะมีแจกอยู่ในเอกสารครั้งนี้ด้วยนะฮะสเล่มที่เหลือก็จะเป็นบทความเรื่องหัวใจทางจิตวิญญาณของการแพทย์แผนที่เบตซึ่งดรเอเชีย ได้มาจาก <c oughs> การสรุปในหนังสือเล่มหนึ่งะฮะแล้วก็ได้มาเผยแพร่ให้กับพวกเรานอกจากนั้นก็จะเป็นการสรุปประเด็นเหลียวหลังแลหน้าในช่วงที่เราได้สรุปกอ่อนที่จะเข้าสู่ปีที่สามของจิตวิวัฒนะครับ <c oughs> ก็จะมีประเด็นได้หารือกันต่างๆซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันของพวกเราเพื่อทบทวนงานในช่วงที่ผ่านมานะครับก็การทบทวนครั้งนี้ก็ คิดว่ามีความชัดเจนทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในทิศทางที่เรากำลังทำงานอยู่พอสมควรนะครับส่วนนอกเหนือจากเอกสารแล้วก็มีข่าวอันเป็นมงคลด้วยนะครับคือดรเอเชียจะขอลาบวชเป็นบวที่สองครับเ ป, เป็นชายสองบว ผมเคยผมที่ที่สุรินนะมีพระมีพระพระรูปหนึ่งฮะเป็นชาวบ้านเนี่ยฮะก็แต่งงานมีครอบครัวต้องดูแลรับผิดชอบแต่ว่าก็มีจิตใจทางด้านการปฏิบัติเก็พอว่างจากงานนะก็ไปบวชบวชตั้งบวชหลายครั้งพอทางบ้านมีภารกิจต้องมาดูแลก็ศึกมาดูแลก็บวชศึกบวชศึกนี้จนกระทั่งภารกิจทางบ้านหมดไปนะฮะ ก็เลยบวชยาวเลยฮะดว ง, งตาขึ้นฮะก็เป็นพระปฏิบัตทิที่ผู้คนก็ไปปฏิบัติด้วยเยอะอีกนะครับก็บวชศึกบวชศึกตามแต่ภารกิจในชีวิตจะเรียกร้องนะก็รู้สึกจะยืดห ย, ยุ่นดีนะครับก็ขออนุโมทนาแล้วก็คงจ ะ, จะเจริญในธรรมตามเจตนาที่ได้ตั้งไว้นะครับวันนี้เราได้อาจารย์ประมวลเพ่งจันซึ่ง ท่านก็ได้ศึกษามาในสายปรัชญานะครับโดยได้ไปเรียนมาจากทางทางอินเดียนะครับซึ่งก็ทําให้มุมมองในการในการเข้าใจปรัชญารวมทั้งชีวิตรวมทั้งการดําเนินชีวิตโดยส่วนตัวของอาจารย์ด้วยเนี่ยก็มีทัศนาที่น่าสนใจวันนี้เราชวนอาจารย์มานําเสนออาจารย์ก็ได้มีเอกสารมาแจกเราอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือ ชิ้นหนึ่งเป็นเรื่องอุดมศึกษาทางการแพทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุรเวทนะครับแล้วก็ชิ้นที่2เป็นมหาลัยในอินเดียในเชิงเปรียบเทียบเป็นบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการพูดถึงอุดมศึกษาที่มีรูปแบบการจัดรูปอุดมศึกษาที่น่าสนใจในอินเดียนะฮะก็เป็นอุดมศึกษาที่ไร้กำแพง เราก็เลยได้เชิญ อ, อาจารย์ประมวลมานําเสนอวันนี้อาจารย์เชิญเลยครับการขอขอบพระคุณทางคณะผู้จัดครับอที่ให้เกียรติผมเอกาสารที่วางอยู่บนต๊ผมกเพิ่งมาเห็นจะ ไ, ได้รับแจกกับวัฒ น, นกันนะครับและผมเพิ่อ่านคั้งแรกเหมือนกันเราเข้าใจว่าทางคณะผู้จัดคงไปใต้มาจากทา ง, า ง, ไไาทางมาลยจึ๊งคืนนะครับผมเองก็เพิ่งเห็นเช่นเดียวกันครับ แตื่อกี้ตอนมาก่อนเวลาและอาจารย์สุมวลพูดถึงหัวข้อผมเองก็รู้สึกหัวข้อนี้ไพเราะจนกระทั่งผมไม่รู้ว่าจะพูดให้ได้ความตามหัวข้อนั้นได้อย่างไรขอกราบเรียนที่จะเรียนที่แข่งอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ทั้งล่าสุดที่ผมเพิ่งประสบมาแล้วก็จะทบทวนไปสู่สิ่งที่เกิดอะไรก่อนที่จะมาถึงประสบการณ์ทั้งนั้นด้วยก็ได้ผมจะใช้เวลาพูดคงไม่เกิน ประมาณสักสสิบนาทีนะครับตามที่ได้ทราบว่าช่วงเวลาช่วงต้นน่าจะไม่มากไป่วันนั้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเสียงที่จะพูดก็คืออยากจะกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและเป็นผู้อาวุโสและเป็นผู้สูงกว่านามบุตมากๆความรู้ของผมคงเป็นเพียงแค่ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของมนุษย์เล็กๆคนหนึ่งท่านั้นเองนะครับผมได้ถือกติอันหนึ่งที่คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นเช่นนั้นโดยอิทธิพลของการศึกษาในอินเดียก็ ค, คือคิดว่าการเกิดครั้งที่2ของผมน่าจะเป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อวันที่23ตุลาคม2548ผมก็เลยจิยงได้ลาออกจากตำแหน่งอาจารย์ประจำที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เลือกวันนี้เนื่องจากว่าผมเกิดครั้งแรกเมื่อปีเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2497นะครับแล้วก็ตั้งใจว่า50ปีแล้วก็จะลาออกแต่บังเอิญว่ามีเงื่อนไขกับทาง ครอบครัวคือภรรยาเนี่ยนะครับว่าผมจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจนกว่าภรรยาจะมีความสุขกับการที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผมเพราะฉะนั้นก็เมื่อวันหนึ่งภรรยามีความรู้สึกว่าเธอมีความสุขที่จะได้เห็นผมทำในสิ่งที่ปรารถนาก็เลยจึงเริ่มต้นการเกิดใหม่ครั้งที่สองเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2548 ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการก้าวเดินนะครับวันที่23ตั้งแต่ตี5ผมก็ออกจากบ้านแล้วก็เดินเพื่อเป็นการฝึกเดินเปรียบประดุจดังเด็กน้อ ย, อยที่เมื่อเกิดออกมาแล้วก็ปรารถนาที่จะเดินผมฝึกเดินอยู่จนกระทั่งถึงวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 4 8ซึ่งเป็นรันตรงกับบัญลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่พอดีคิดปเข้มแข็งพอที่จะเดินจริงๆในระยะที่ไกลได้แล้วนะครับ แล้วก็ภรรยาก็ทดสอบทุกวันนะครับว่าเดินได้จริงวันละเท่าไหร่สุขภาพร่างกายเป็นยังไง mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อวันที่16พฤศจิกายน mm hmm. ผมก็ได้เดินออกจากจังหวัดเชีงยงใหม่ตอนแรกจริงๆไม่มีปรเจตนาที่จะบอกว่าไปไหนแต่เนื่องจากว่าตอนฝึกเดินเนี่ยจะพบกับปัญหาที่ชาวบ้านจะซักถามว่าจะเดินไปไหนแล้วเมื่อผมตอบไม่ได้ mm hmm. เขาก็จะเข้าใจผิด mm hmm. คิดเหมือนปันถึงว่าคนคนนี้วิกลจริตและก็บ้าที่ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยนะครับ ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมจะเดินไปนี้ต้อง ม, เองมีเป้าหมายทางกายภาพด้วยคือจริงๆแล้วการเดินของผมผมต้องการสแสวงหาเป้าหมายทางจิตใจนะครับแต่ทีนี้เมื่อไม่มีเป้าหมายทางกายภาพก็ทําให้คนเขาเกิดความวิตกกังวลและเป็นห่วงว่าจะเป็นคนซึ่งจะสามารถพาชีวิตรอดได้หรือไม่ก็เลยจึงกําหนดเป้าหมายว่าผมจะเดินกลับบ้านที่อำเภอเกาะสม Univers ุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมใช้เวลาเดินจากเชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายน ไปถึงเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2549ใช้เวลาทั้งหมด66วันนะครับในการเดินนี้นะครับก็ใช้เงื่อนไขการเดินก็คือจะไม่เดินไปหาคนที่รู้จักถ้าคนรู้จักอยู่ที่ไหนก็จะหลีกไม่ไปแล้วก็จะเดินไปในหนทางที่คิดว่าตัวเองจะไม่มีคนรู้จักอันที่สองก็คือไม่มีสตัง ซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของอำนาจติดตัวผมไปนะครับเพราะในการก้าวเดินจึงเป็นไปด้วยความรู้สึกที่ตัวเองได้มีโอกาสอันประเสริฐที่สุดที่จะได้ศึกษาพังเป็นมนุษย์ที่ตัวเองมีอยู่โดยไม่มีเสื้อผ้าอภรรท์ังสังคมมาประดับประดาตกแต่งเพราะนั้นบทเรียนที่ได้จากการก้าวเดินจึงเป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะ จะภูมิใจที่ตัวเองทําสิ่งนี้นะครับคือหมายความว่าไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ดีนะครับแตถ่ถามว่าที่ตัวเองตัดสินใจทํำไปนั้นดีไหมก็คิดว่าตัวเองทําได้ดีที่สุดในการตัดสินใจหลายหครั้งคิดว่าครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากจะเล่าประสบการณ์สั้นๆเพราะเวลามีจํากัดเนี่ยนะครับว่าในการก้าวเดินแบบที่ว่านี้นะครับมันเริ่มต้นจากการที่เราไปเชิญกับสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาเลยว่า สิ่งง่ายๆนะครับมันจะเป็นปัญหากับชีวิตมากขนานดะนี้เช่นกรณีอาหารเพราะผมตั้งใจไว้ว่าผมจะไม่ขออาหารจากผูใ้ใดผู้หนึ่งด้วยการไปบอกว่าผมหิวผมกระหายผมขออาหารผมจะไม่ทําเพราะฉะนั้นในการเดินเนี่ยนะครับจึงประสบกับปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเพราะกว่าเขาจะรู้ว่าเรากําลังหิวโหยจนแทบจะขาดใจตายอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องสังเกตเอาเอ ง, เองแล้วก็จึงให้อาหารผมทานเนี่ยนะครับ เพียงแค่อาหารมื้อแรกที่ผมได้รับเหรยนะครับผมก็รู้ทันทีว่าการกินอาหารที่ผ่านมาตลอดช่วงชีวิตเนี่ยนะครับมันได้กินอาหารอย่างเดียวมันไม่ได้อะไรซึ่งเป็นรสชาติของชีวิตที่แท้จริงได้เสพแต่รสอาหารแต่ไม่ได้เสพรสชาติชีวิตมนุษย์แท้จริงผมยังจําภาพได้ผมเดินจากบ้านผมที่ในเมืองเชียงใหม่นะครับในวันแรกผมเดินไปจนถึงเวลาบ่ายค่ำจะเย็นนะครับต่อจาก น, นั้นลีกไปเดินบนถนนสายเลียบคลองชนลประทานอยู่ในเขต อ, อําเภอสันปะตอง ผมเดินไปจนกระทั่งร่างกายมันลาน้ําก็หมดผมมีกระบอกน้ําแต่น้ําหมดแล้วไม่มีน้ําดื่มแล้วและเมื่อไม่มีน้ําดื่มผมรู้สึกเหมือนกับจะหน้ามืดเป็นลมคอแห้งน้ําลายขมและรู้สึกว่ามันหูอื้อไม่ได้ยินเสียงอะไรเมื่อไปเห็นเพลิงขายกว๋วยเตี๋ยวซึ่งมีม้าหินขัดวางตั้งอยู่ด้วยผมก็ตอนนั้นไม่ไม่มีร่มไม้เลยนะครับเพราะเป็นทุ่งนาผมก็เลยขออนุญาตเจ้าของเพิงซึ่งเป็นที่ขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยว่าผมขออนุญาตนั่งตรงนี้สักหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าได้ ผมก็เลยนั่งลงแล้วเขาก็มีน้ำใจเอาน้ำมาให้ผมดื่มเมื่อเห็นว่าผมดื่มน้ำด้วยความรู้สึกกระหายเขาก็เลยถามว่าไปไหนมาอย่างไงเมื่อเขาทราบความเป็นมาของผมและเขาเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวซึ่งตอนนั้นคงเก็บอะไรไปเยอะแล้วเพราะมันเย็นแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะทำก๋วยเตี๋ยวให้ผมทานจะทานไหมผมก็ถามเขาว่าลําบากหรือเปล่าที่จะทำก๋วยเตี๋ยวก็บอกไม่เขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวขายมันไม่ลําบากแล้วทำก๋วยเตี๋ยวขายแล้วทำก๋วยเตี๋ยวให้คนอื่นักทักชามหนึ่งถานผมบอกว่า ถ้าไม่ลำบากแล้วก็มีความเต็มใจจะทําให้ผมผมก็จะทานและเขาก็ทําก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งให้ผมและผมก็รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวชามนั้นเต็มใจจริงๆเพราะมันเต็มชามเลยนะครับทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งลูกชิ้นทั้งอะไรที่มันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาใส่จนมาเต็มเลยนะครับและผมก็ได้รู้ว่าการทานก๋วยเตี๋ยวชามนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นก๋วยเตี๋ยวชามที่มาสัจจรัสและวิเศษที่สุดเพราะก่อนหน้านั้นผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเพียงแค่วันแรกชีวิตผมก็กําลังจะมอดดับจะสลายเสียแล้วนะครับ แต่พอได้ทานก๋วยเตี๋ยวท่านนั่นเองนะครับสิ่งที่มันเฉาไปเนี่ยมันก็ค่อยฟื้นขึ้นมาและผมก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่รู้จะพูดยังไงแต่ผมก็พูดกับพี่คนที่ให้ก๋วยเตี๋ยวผมทานบอกว่าพี่ได้ต่อชีวิตให้ผมอีกชีวิตผมยังมีอยู่ต่อไปขอบคุณมากๆแล้วก็ผมจะจําไว้ว่านี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์สําหรับการทานก๋วยเตี๋ยวมือนี้แคร์ก็ไม่รู้จะคุยอะไรผมกับผมเพราะแกก็เป็นชาวพันุ์ไม่รู้จะคุยอะไรกับผมผมก็จากลา พี่คนนี้มาแล้วก็เดินต่อไปนะครับผมผมเล่าจะเพาะเพียงแค่ว่าการทานอาหารเพียงแค่มื้อแรกเนี่ยนะครับก็สุดแสนจะมหัศจรรย์กับการมีชีวิตอยู่เพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ตระหนักรู้ว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้ น, นมันมีความหมายที่มากกว่าที่เราเคยทานมาไม่รู้สักเท่าไหร่และอาหารแต่ละมือ้อแต่ละมื้อที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็มีมิติแห่งความหมายทั้งนั้นเลยจนผมรู้สึกเสียดายว่าชีวิตผมที่ผ่านมา กินอาหารมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันมื้อแล้วทําไมผมจึงไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้อารมณ์ประเภทนี้เลยนะครับบางมื้อเนี่ยนะครับผมทานอาหารที่ที่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงอะ่ะคือจําได้วีมื้อหนึ่งที่ประทับใจผมมากผมเดินเป็นในเขตจังหวัดราชบุรีอยู่ในเขตอำเภอ บ, บ้านโป่งนะครับเป็นถนนเพชรเกษกเมซึ่งเดินยากมากเหนื่อยมากเพราะว่าเป็นการเดินที่ผมไม่สามารถจะบําเพ็ญภาวนาตามที่ผมกําหนดไว้ได้เพราะถนนมันมีรถเยอะ แล้วก็ร้อนนะครับผมเดินไปเวลาเย็นยังไม่มืดปกติผมตั้งใจว่ามือดจึงจะหยุดพักนะครับแต่วันนั้นมันเดินไม่ไหวและร่างกายก็บอบช้าเต็มทีแล้วนะครับก้าวคือเวลาผมเดินนี่ผมจะกําหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายขวาให้สัมพันธ์กันแล้วก็พยายามที่จะไม่เอาจิตไปคิดเรื่องอื่นตอนนั้นทําไม่ไหวแล้วเพราะว่าหายใจเข้าเร็วออกเร็วแล้วแต่เท้ามันยกเร็วตามไม่ได้แล้วเพราะมันเกรงก็เลยเข้าไปวัดวัดหนึ่งชื่อวัดจันทาราม ถ้าเราเดินลงจากกรุงเทพไปภาคใต้อยู่ทางด้านขวามือผมก็เลยเข้าไปที่วัดไปเจอหลวงพ่อซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเจ้าวาดหรือเป็นพระลูกวัดท่านยืนอยู่ผมก็เข้าไปยกมือไหว้ท่านแล้วขอที่พักท่านก็เลยชี้ให้ไปพักที่ศาลาผมก็เดินต่อไปที่ศาลาซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในวัดก็ไปเจอพระอีกสามรูปนั่งอยู่ใกล้ๆศาลาก็เข้าไปกราบท่านอีกครั้งหนึ่งว่าผมได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อองค์ที่อยู่หน้าวัดไหว้พักที่ศาลาได้ผมจะเข้าไปได้ห่าก็บอกได้ แต่เขคงเห็นสภาพร่างกายผมคงแย่ถามว่าเดินมาจากไหนอย่างไรบอกเศร้าผมเดินมาจากเชียงใหม่เขาก็ถามต่อว่าแล้วกินอยู่อย่างไงก็บอกว่าถ้ามีใครให้กินก็ได้กินถ้าไม่มีก็ไม่ได้กินแล้วก็จำวันนี้ได้กินอะไรยังบอกยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วเขาก็ตะโกนไปที่ศาลานะครับถามเด็กวัดจิตวัดตอนนั้นเป็นเวลาเย็นไปแล้วเนี่ยนะครับว่ายังมีอะไรเหลืออยู่ให้รวมคนนี้ก็กินบ้างไหมเสียงทางน้นตอบมาว่าเทให้มาหมดแล้วนะครับ แล้วแก บ, บอกเด็ได้ไดยังเพิ่งเทให้เขาดูก่อนเพื่อเขาจะกินอะไรได้ผมเกตเขาก็สั้นกับทั้งสรูปรูปนั้นในหนึ่งในรูปมก็บอกไปเถอยอมไปดูที่มีอะไรจะทานได้บ้างผมก็ไปที่ศาลานะครับตอนนั้นที่บนศาลามันมีอาหารซึ่งเทจากปิ่นโตและเทจากที่ภาชนะบรรจุเนี่ยนะครับไปเทอยู่ในหม้อแล้วหม้อใบใหญ่มีหูหิ้วสองข้างเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าผมเทหมดแล้วปวามจริงไม่ใช่เด็กนะครับเป็นผู้สูงอายุละแต่เป็นคนที่คอยดูแลเกี่ยวกับโรงครัว ผมก็ไปเช็งเอือคอดูแล้วเทแล้วก็จริงอ่ะนะครับแต่ว่าที่อาหารที่เทไปแล้วนั้นส่วนบนสุดเนี่ยมันเป็นข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเหนียวทางภาคเหนือที่กินเป็นอาหารข้าวนะครับข้าวเหนียวทางภาคกลางที่กินเป็นอาหารหวานมันอยู่บนสุดแล้วมันยังมีสภาพเป็นก้อนมันยังไม่ละลายเหมือนข้าวเจ้าที่ผสมกับน้ําแกงผมก็เลยชี้ไปว่าถ้าผมจะขอนี้กินได้ไหมเขาบอกอ๋สิถ้ากินได้แล้วผมก็หยิบข้าวเหนียวนั้นมานะครับ ผมหยิบมาแล้วก็ถะมาเช้าอะไรอีกไหมผมบอกไม่แล้วก็พอไม่แล้วเขาก็เอากะละมังคนๆแล้วก็เอ า, เอ า, อาข้าวในหม้อ น, นั้นนะแกงทั้งหมดเนี่ยไปเทให้หมาซึ่งมันอยู่ริมสล า, าเนี่ยนะครับแล้วหมาจํานวนหลายตัวผมคิดว่าเกือบสักสิตัวหรือมากกว่าไม่แน่ใจนะครับเย็บแล้วก็เทเป็นสามจุดมันมีกะละมังถาดกว้างผมนั่งดูหมาทานต้องได้ทานด้วยนะแล้วผมก็นั่งกินข้าวเหนียวที่มันอยู่ในมือผม ผมรู้สึกอร่อยมากเลยผมมีความรู้สึกว่ารสชาติของชีวิตผมเนี่ยมันอร่อยมากมันมีความอร่อยซึ่งผมกับหมาเนี่ยได้กินอาหารร่วมกันได้มีชีวิตยืนยาวและมีความรู้สึกที่ดีๆกับการได้ได้เป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ที่ผมมีอารมณ์อย่างนี้มากเดี๋ยวเขาเล่าย้อนไปนิดแต่งงไม่เป็นระบบแต่เพื่อจะ้อนให้เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันมันเกิดขึ้นได้อย่างไร คือจริงๆผมมีความรู้สึกที่ประทับใจกับหมาก่อนหน้านี้แล้วคือตอนช่วงที่ผมเดินอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงถนนมาลลยแมนที่อำเภอสองพี่น้องผมเดินไปมืดที่นอนที่วัดวัดหนึ่งชื่อวัดศรีฉเฉลิมเขตอยู่ในอำเภอสองพี่น้องผมก็เข้าไปขออนุญาตหลวงพ่อเจ้าวาดเพื่อจะขอพักนอนค้างคืนท่านก่อนอนุญาตให้ผมเข้าไปพักก็ที่ศาลาเหมือนกันแล้วมันเป็นเวลา มืดใกล้จะมืดเลยคือหัวค่ําแล้วผมเข้าไปที่ศาลานั้นปรากฏว่าในศาลานั้นนะมีหมาจํานวนหลายตัวนอนอยู่ในศาลาแล้วเมื่อเห็นผมเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปมันก็เหา่าเหมือนกับปฏิเสธการเข้าไปของผมผมก็นั่งลงที่ริมศาลาแล้วก็พูดกับหมาในใจนะครับไม่ได้พูดเสียงดังบอกว่าผมเดินมาไกลเหนื่อยมาก ขอที่เพียงเล็กน้อยเพื่อพักคืนนี้ผมไม่เบียดเบียนผมไม่มีอันตรายเราเป็นมิตรกันเราไม่มีอะไรเลยเราผมจะขอเป็นมิตรด้วยผมขอนอนเลยไม่รบ ก, กวนไม่ทําความเสือมทรอมให้เขาเลยผมนั่งลงแล้วก็พูดไปอย่างนี้ในใจผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ยินแต่ว่าเขาคงาเข่าพอเป็นพิธีว่าสแสดงความเป็นเจ้าของเสร็จก็กลับไปนอนต่อเมื่อหมาไป น, นอนต่อผมก็เท่ากับหมาอนุญาตผมก็เลยนอนอยู่ริมริมศาลาเนี่ยนะครับผมก็หลับไปเพราะร่างกายผมแย่เต็มทีแล้วตอนนั้น ผมมาตื่นรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเวลาไม่รู้แต่ว่าคงดึกดื่นมากแล้วนะครับที่มารู้สึกตัวก็ตอนแรกรู้สึกตัวใหม่ๆยังรู้สึกสลืมสลือว่าผมอยู่ที่ไหนและมันเป็นยังไงชีวิตผมมายัางไงแต่พอเริ่มจำความได้ว่าอ๋อผมเดินมาและตอนที่รู้สึกตัวนั้นมันมีกลิ่นที่เข้าจมูกผมเป็นกลิ่นสาบสาบขาวขาวนะครับแล้วพอได้กลิ่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรมาสะ ก, กิดที่สีข้างผม ผมก็เลยเอื้อมมือไปลองไปสัมผัสดูปรากฏมันเป็นหมาแล้วก็เป็นหมาขี้เรื้อนที่ไม่มีคนแล้วนะครับมันมีแต่หนังที่สักๆแล้วผมก็ลองจับดูปรากฏมันมีตั้งซ้ายและฝ่าแล้วผมก็เลยเกิดความรู้สึกวูบหนึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับว่าอ๋อผมนอนที่วัดแล้วหมาเหล่านี้ยตอนหัวค่ำ ม, มันเห่ารังเกียจไม่ต้องการให้ผมมานอนที่ศาลานี้ ผมรู้สึกได้ขณะนั้นเนี่ยนะครับผมเกิดความรู้สึกที่ดีมากๆกับการมีชีวิตอยู่มันเป็นความรู้สึกซึ่งไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรแต่รู้สึกดีว่า1หมาต้อนรับผมเป็นมิตรแล้วอันที่2เกิดความรู้สึกดีว่าชีวิตผมยังเหลืออยู่พอให้มีไออุ่นกับหมาขี้เรือนได้ถ้าสมมุติว่าตอนหัวค่ํานี้ผมเกิดตายลงร่างผมคงเย็นชืดแล้วก็คงไม่มีประโยชน์อะไรกับหมาที่จะมานอนด้วย ตอนการที่ผมยังมีชีวิตอยู่แม้ไม่ได้คิดไม่ได้ทําอะไรเลยก็ยังมีคุณมีค่ากับหมาขี้เรื้อนเหล่านี้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยทำใหผมเกิดความรู้สึกที่ดี ก, กับกับการมีชีวิตอยู่และกับหมามากผมเอื้อมมือทั้งซ้ายทั้งฝาไปรูปมันแล้วมันก็แสดงอาการพึงพอใจที่มีคนไปลูบหนังมันเหมือนกับช่วยช่วยทํามันรู้สึกดีขึ้นเนี่ยนะครับและช่วงขณะนั้นเนี่ยผมนึกถึงความหมายของการภาวนา ที่เราทำกันอยู่เสมอโดยปกติแต่อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากคือการภาวนาแผ่เมตตาที่เราเคยพูดว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงมีความสุขความสุขเถิดช่วงขณะนั้นผมไม่ต้องเอ่ยคำใดๆเลยแต่ความรู้สึกเป็นเช่นนั้นจริงๆคือเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันและเราขอให้เขามีความสุขผมนอนหลับ ต่อนะครับแล้วเมื่อรู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพะผมตื่นขึ้นมาเพราะหมาขี้เรือนมันเก่าแล้วก็เอาขาของมันที่เก่าขี้เรือนเนี่ยมากระทุ้งข้างผมถึงไดผมตื่นแล้วเมื่อรู้ที่มาแล้วผมก็เลยนอนต่อด้วยความด้วยความสุขอารมณ์ความรู้สึกที่ผมมีมีมกับหมาเช่นนี้เพราะวันหนึ่งเรไปนั่งกินอาหารเขาก็กินอาหารแล้วมันก็มีความสุขด้วยกันไอความสุขด้วยกันนี่นะครับมันเป็นความสุขที่ผมคิดว่า ผมได้สัมผัสและผมได้รู้เลยว่ามันมีอะไรที่มากไปกว่าการที่เราได้กินข้าวเหนียวก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมากผมเลยจึงมีความรู้สึกว่าแม้กระตั้งเพียงแค่การได้กินอาหารแต่ละมื้อแต่ละคราวในการก้าวเดินไปเนี่ยครก็แสนมหศัศจรรย์และทำให้ผมได้ตระหนักว่าสิ่งที่มันมันเป็นไปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากผมคงไม่เล่าเรื่องอาหารมากไปกว่านี้แล้วเพเพียงยกตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับว่า ในการเดินไปครั้งนี้เนี่ยนะครับการได้ใช้ชีวิตในลักษณะนั้นเนี่ยนะครับทุกขณะแห่งการเดินไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เพียงแค่ได้กินน้ํากินข้าวสักนิดสักหน่อยก็จะเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อการมีชีวิตอยู่รวมถึงเรื่องอื่นๆนะครับในการเดินไปการได้พักการได้นอนการได้พบปะกับคนเนี่ยนะครับและที่สาคัญคือเมื่อเราไปในลักษณะนั้นคนที่ได้พบส่วนใหญ่เป็นคนที่เราเคยมองข้ามทั้งนั้นเลย เช่นขอทานริมถนนเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่เมื่อผมเดินไปและบางวันผมมืดลงหาที่พักที่นอนไม่ได้ผมก็ได้นอนกับคนที่เป็นขอทานพิการซึ่งทําให้รู้ว่าเขามีน้ําจิตน้ําใจหรือบางครั้งคนบางคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนผมประทับใจคนคนหนึ่งมากที่ผมเดินไปที่วัดกรร ม, มเชียนอยู่ในเขตอําเภอ เดิมบางนางบวชอะไยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะแล้วผมเดินมางที่ผมก็ไม่สามารถกําตัวได้ว่าตรงนั้นมันอยู่ที่อําเภออะไรผมจะไปขอนอนที่วัดนี้นะครับแล้วทางพระในวัดก็บอกว่าให้ไปกราบขออนุญาตจากหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อท่านอยู่ในกุฏิซึ่งผมก็ไปนั่งท่านรอท่านอย่า ง, งตอนตอนไปถึงใหม่ๆเนี่ยครับจนกระทั่งมืดแล้วหลวงพ่อท่านก็ไม่ออกมานอกกุฏิจนผมก็มีความรู้สึกว่าท่านคงไม่ออกมาแล้วแล้วท่านก็ปิดไฟผมก็เลยไปบอกพระท่านบอกว่า หลวงพ่อท่านคงจำมัดแล้วแหละผมจะทำยังไงเพราะวันมืดแล้วพระก็บอกวาอ่าไปนอนแท้ตรงไหนก็ท่านนอนได้ก็นอนช่วงขณะที่ผมรอหลวงพ่ออยู่เนี่ยนะครับก็มีคนคนหนึ่งนะครับผมมารู้ชื่อก็ภายหลังเขาเรียกกันทั่วๆไปว่าไอ no ้น้อยไอ้น้อยนี่เป็นชื่อที่เรียกตั้งแต่เขายัางเล็กๆแล้วก็เป็นชื่อที่ถูกเรียกอย่างนี้ เขาเห็นผมเขาก็สงสารเขาเลยชวนผมไปนอนใกล้ๆ ก, กับที่ของเขาเขานอนอยู่ที่วิหารพระศรีถ้าใครอยู่ทางจังหวัดสุพรรณคงได้ยินชื่อพระอกทัพะพุทธรูปองค์นี้นะครับจะมีคนไปกราบไปไหว้เขามีหน้าที่คอยปัดกวาดดูแลทําความสะอาดวิหารนี้เขาพาผมไปก็บอกว่าไปนอนกับยักษ์ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าหมายความว่าไงนะครับพอไปที่วิหารเนี่ยด้านใกล้ๆ ก, ก, กับพระพุทธรูปเนี่ย พระพุทธรูปที่นี้เนี่ยเขจะมีเหมือนกับมีเรื่องเล่าพุทธประวัติและใกล้ๆพระพุทธรูปมีรูปพยามารซึ่งว่าเล่าตอนความหมายที่พระพุทธเจ้าตอนอยังเป็นพระมหาศัพ์สเสด็จออกมาพิเนิกรมแล้วก็มีเท้าสระศดีมานมาขัดขวางก็าจึงสร้างรูปพยามารขึ้นแต่น้อยนิดทีฝวามาเป็นรูปยักษ์และตรงฐานของรูปยักษ์เนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่าง เขาก็บอกว่าขออนุญาตยักแล้วจอนุญาตให้นอนก็นอนได้เขาก็เปเอาธูปมาให้ผม3ดอกนะครับแล้วเขาก็ผมก็เอาธูปไปจุดแล้วก็มานั่งคุกเข่าลงต่อหน้ารูปยักแล้วก็กล่าวให้น้อยได้ยินบอกว่าผมเดินทางไกลามาเหน็ดเหนื่อยแสนสะอาด ร, ร่างกายบอบช้ำเต็มทนแล้วขออนุญาตท่านยักที่จะอาศัยเมตตาท่านขอนอนตรงนี้นะครับพอผมพอผมพูดเสร็จไอ้น้อยเขาก็ บอกว่าท่านยักอนุญาตแล้วนอนได้นะครับผมก็ได้นอนพอผมทำท่าจะนอนเขาบอกว่ากินอะไรหรือยังผมบอกยังไม่ได้กินเหมือนกันเขาก็ไปขอข้าวสารพระ <c oughs> ไปขอปลากระป๋องนะครับแล้วก็ขอน้าพริกเอข้าวสารมะหงและเอาปลากระป๋องนี้มายำแล้วน้ำพริกละลายกับน้ำร้อนให้ผมเอาผักซึ่งก็ไปเก็บมาให้ผมกิน <c oughs> ผมรู้สึกดีมาก แต่พอคุยบเขาปรากฏเขาเป็นคนที่มหัศจรรย์มากเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตื่นขึ้นมาตอนเช้าสิ่งที่ผมทำก่อนจะออกจากวัดนั้นก็คือไปสอบถามให้ได้ว่าคนคนนี้มาจากไหนแล้วก็มีคนไล่ฟังว่าไอ้น้อยนี่เขาไม่รู้มาจากไหนตอนที่เขาเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมีคนไปพบเขาอยู่ในตลาดท่าช้างแล้วถูกทิ้งไว้แล้วก็มีคนนํามาเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงัวนําเขามาเลี้ยงเพื่อให้เขาเลี้ยงัวต่ออีกทีหนึ่งคือให้เขาอยู่เฝ้างว แล้วพอเขาโตขึ้นมาสักหน่อยคนผู้ชายที่เอาเขามาเลี้ยงเพื่อเลี้ยงงวเห็นว่าโตไปแล้วก็เลยเอามาให้วัดวัดก็เลยให้เขาอยู่ที่วัดตั้งแต่ตัวเล็กๆจริงๆเล็กไอ้น้อยแล้วก็โตมาจานปัจจบันนี้ปัจจุบันนี้ไอ้น้อยไม่มีชื่อเป็นหนึ่งในค ร, รมโนประชากรของประชาชนคนไทยหกสิบล้านกว่าคนที่ว่าเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้และเขาก็ไม่มีความรู้อะไรเขาจําได้แต่เพียงแค่ว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งและเขาก็มีสิ่งที่ผมเข้าใจว่ามาเห็นคน ที่อยู่ในสภาพเช่นผมเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกที่ดีๆถึงกับไปขอเข้าสารขอปลักกระป๋องขอน้ำพริกมาทำอาหารให้ผมกินนี่เป็นเรื่องที่ผมประทับใจกับคนนะครับกับคนที่มีเยอะผมเดินไปที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันตอนนั้นก็เดินอยู่บนถนนเพชรเกษมเหมือนกันมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งก็เป็นสามีภรรยาอมมราภายหลังเป็นคนคอยเก็บขยะเก็บพวกขวด ขวดน้ำที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับเพื่อเอาไปขายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวัสดุที่ขายได้ควาที่ผมเดินแล้วก็เดินไปลักษณะที่มีสภาพร่างกายที่บอบช้าเขาเลยจึงเข้ามาคุยกับผมเมื่อเขาเข้ามาคุยกับผมพอเขารู้ว่าผมเดินมาไกลแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเขาก็มีน้ําใจบอกว่าเขาจะให้ผมอาหารผมนะครับแต่เขาไม่มีก็ขอพาผมไปที่ร้านใกล้นั้นจะไปได้ไหมผมบอกได้ก็เดินไปได้วยกันเลย แต่ผมก็พยายามจะถามเขาว่าแล้วอาหารนี้ต้องซื้อไม่ใช่หรือเ่าบอกไม่เขามีตังค์วันนี้ก็มีตังค์เขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขามีตังค์เขาก็พาผมไปที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะครับก่อนจะถึงอาเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วเขาก็ถามผมว่าจะทานอะไรก็กสั่งผมก็บอกว่าถ้าจะให้ผมทานอะไรก็สั่งเอาที่ถูกที่สุดสุดท้ายเขาก็สั่ ง, งข้าวผัดนะครับให้ผมผมก็นั่งกินข้าวผัด ถามเขาไม่จะ้ถามชวนเขาบอกเรากินด้วยกันได้ไหมชามเดียวกันเขาบอกไม่หละวันนี้เป็นวันพระเขาถือศีลกินเจเขากินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ไม่ได้เพราะข้าวผัดที่ก็สั่งมาเป็นข้าวผัดหมูนะครับผมก็นั่งกินข้าวผัดขณะที่ผมนั่งกินแล้วเขาสองคนนั่งอยู่ตรงข้ามเป็นโต๊ะที่ผมนั่งฝั่งหนึ่งเขานั่งอยู่ฝั่งตรงหนึ่งเนี่นะครับ ผู้หญิงที่เป็นภรรยาก็ได้กล่าวกับผู้ชายที่เป็นสามีก็ใช้คำที่สุภาพมากไม่น่าเชื่อเลยว่าคนเก็บขยะจะมีคำที่สุภาพเช่นนี้ผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าพ่อวันนี้เพราะเป็นวันพระเราถือศีลกินเจเราจึงได้มีพบได้พบลุงคนนี้มีบุญได้ให้อาหารแกแกน่าสงสารพอผมได้ยินดังนั้นผมก็เลยวางช้อนและความสิ้นกัว่ า, วา ถวันนี้ผมเดินมาแล้วไม่มีตังค์จึงมีบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้พบคุณทั้งสองเป็นบุญของผมมากที่สุดที่ได้พบกับคุณที่ที่ที่ที่ให้อาหารผมและผมก็คุยอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ที่ผมประทับใจมากๆก็คือคนนี้เมื่อผมพูดเสร็จก่อนผมจะจากไปผมบอกผมขอที่อยู่ขอชื่อได้ไหมเขาก็ให้ชื่อแต่ปรากฏเขาไม่มีที่อยู่คือไม่มีที่อยู่ที่จะตรงทางไปสีได้อะเขาก็นั่งปรึกษากัน เขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยมีที่อยู่ผู้หญิงก็บอกว่าพ่อเขาก็มีที่อยู่ผู้ชายก็บอกพ่อเขามีที่อยู่ก็บอกว่าผมสุดท้ายผมบอกเขียนที่อยู่สักที่หนึ่งผมจะได้ส่งจดหมายอะไรให้เขาได้และผมขำมากมา่อเขาเขียนให้ผมแล้วปรากฏมีที่อยู่สองที่อยู่ก็บอกว่าเพื่อให้มันถึงแน่ๆให้ที่อยู่สองที่อยู่ก็คือที่อยู่ของพ่อผู้หญิงและที่อยู่ของพ่อผู้ชายด้วยเนี่ยนะครับผมก็เลยขำตรงที่ว่าที่อยู่ไปสนีทถ้าเราจ่ายหน้าสองสองที่อยู่เขาคงส่งให้เราไม่ถูกแต่ที่ที่ผมประทับใจก็คือ คนที่ไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งแน่นอนเนี่ยนะครับก็ยังมีสิ่งที่ทำให้ผมเกิดความรู้สึกประทับใจในความเป็นมนุษย์ที่แสนมหัศจรรย์เนี่ยนะครับผมได้พบอารมณ์อย่างนี้นะครับตลอดระยะของการ9เดินไปรายละเอียดคงมีเยอะๆผมคงไม่มีเวลาที่จะนั่งคุยตรงนี้แต่เป็นเพียงแค่ต้องการจะสือ่อบอกเล่าท่านภูมิเกียรติทุกท่านว่าช่วงเวลาแห่งการ9เดินไปเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ของชีวิตและผมรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่เสียดายเลยที่ผมย้พยายามที่จะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งและการ9เดินนี้นะครับมันเหมือนกับผมเริ่มเติบโตขึ้นทางด้านจิตใจเป้าหมายที่ผมกําหนดไว้และผมไม่กล้าบอกใครเลยเนี่ยนะครับคือผมต้องการที่จะก้าวเดินให้ถึงเป้าหมายไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าแผ่นดินที่ผมต้องการจะไปให้เป็นทางกายภาพแต่เป้าหมายที่ผมต้องการจะไปให้ถึงคือความรู้สึกลึกๆของผมซึ่งเป็นพุทธบริษัท เป็นพุทธศาสนิกชนและก็ปฏิญญาณตนว่าเป็นอุบาสกเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเป้าหมายปลายทางของผมในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทคนหนึ่งจะคิดผิดคิดถูกอย่างไรผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะครับคือผมต้องการจะก้าวไปให้พ้นความรู้สึกเสียดายอะไรอาวรในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเลือดเนื้อร่างกายของผมเพราะฉะนั้นผมตั้งใจว่าอะไรผมจะก้าวไปให้พ้นความรู้สึกเสียดายผมต้องการก้าวไปให้ออกไปจากความปรลียดชังรังเกียจนะครับที่ผมต้องการฆ่าไม่พน้น คมรู้สึกเกลียดชังรังเกียจและที่สําคัญที่สุดก็คือก้าวไว้พ้นความกลัวซึ่งมันมีอยู่ในใจผมตอนทุกๆช่วงขณะใงการเข้าไปเนี่ยผมจะพยายามเป็นที่สุดนะครับที่จะเจริญผมใช้สติปัฏฐาน4ี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการก้าวย่างทุกช่วงขณะยกเว้นในช่วงขณะที่เดินบนถนนที่มีรถจราจรพลุกพล่านไม่สามารถสํารวมจิตอะไรได้แต่ถ้าเป็นช่วงที่มีบรรยากาศที่ดีๆก็จะทําสมาธิภาวนาไปตลอด เพราะฉะนั้นช่วงทั้งหมดเวลาที่ก้าวผ่านไป60วัน60สิบกว่าวันเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ประเสริฐและผมคิดว่าเป็นช่วงที่มีอะไรที่ที่ทาให้ผมได้ระลึกถึงที่ดีมากๆผมคงไม่สามารถจะเล่ามากผมอยากจะจบลงด้วยการที่จะบอกว่าเมื่อผมก้าวไปถึงเกาะสมุยแล้วจริงๆกับภารกิจของผมผมก็รู้ว่ายัางก้าวไม่ถึงปลายทางแต่เนื่องจากว่าสภาพเงื่อนไขทางสังคมประกอบเข้ากับผู้ทีใ่ให้เข้าให้น้ําผมหลายหลาคนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เขาอยากแกรู้ว่าผมเดินถึงไหนถึงหรือยังยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเอผมกลับมาที่เชียงใหม่ปรากฏมีโน้ตที่รับโทรศัพท์เป็นจํานวนมากเพาเวลาเขาสักถามผมแล้วผมต้องคือผมมีอันหนึ่งก็คือจะไม่กล่าวคําเท็จเป็นอันขาดฟันเขาถามอะไรก็ต้องตอบและเมื่อผมถามก็ตอบเรื่องครอบครัวผมก็ให้เบอร์โทรศัพท์ให้ชื่อภรรยาผมนะครับก็มีโทรศัพท์เป็นจํานวนมากมาถึงผม ผมตั้งใจกลับมาถึงว่าจะเขียนจดหมายขอบคุณพราะลงมือเขียนจดหมายปรากฏว่ามันต้องเขียนจดหมายเป็นร้อยฉบับประมาณนั้น น, นะครับก็เลยจึงคิดว่าเราน่าจะเขียนจดหมายเป็นฉบับเดียวแล้วค่อยซีร์ก์ก๊อี้แจกดีกว่ายังก็เลยจึงนั่งเขียนจดหมายเล่าให้เขาฟังว่าผมเดินไปถึงไหนบ้างเนี่ยนะครับขณะที่ผมนั่งเขียนจดหมายหรือบันทึกก็ได้เนี่ยนะครับที่กําลังพูดถึงเนี่ยปัจจุบันผมไปพักอยิ่ที่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็เลยจึงทําให้ผมเกิดความรู้สึกทบทวนว่าสิ่งที่ผมน่าจะนํามากล่าวในที่นี้พอจะมีอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีอยู่สองสิ่งที่ผมประสบว่ามันเป็นฝ่ามาหัศจรรย์ในการเดินครั้งนี้ก็คือผมพบว่าการที่ผมไม่มีเงินตราติดตัวไปเลยเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายของชีวิตได้โดยไม่เชื่อมไม่น่าคิดมาก่อนนะครับว่าทันทีที่ผมไม่มีเงินเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มาหัศจรรย์มาก คือการที่มีเงินมันเหมือนกับเราหลุดออกมาอีกโลกโลกหนึ่งผมก็จะว่าความหมายของชีวิตของคนเราในปัจจุบันเราไปทําให้ผูกติดพันอยู่กับเงินเนี่ยสูงมากมากถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าไม่มีเงินมันดูเหมือนชีวิตนี้ไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมเดินออกไปแล้วไม่มีเงินเนรียนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ ท, ที่ท้าทายในความรู้สึกของผมนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมายมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะผม ส น, นุกที่นี่คือมาความเป็นบทเรียนที่ดีมากคือช่วงที่ผมเดินไปอยู่ในเขตอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรมิชายหนุ่มคนหนึ่งเับรถปิกรับมานะครับและพอเขาเห็นผมเดินเขาเลยหยุดรถเพื่อจะถามว่าจะไปไหนเขาจะอาสาพาผมไปด้วยผมก็ชี้แจงให้เขาฟังว่าผมมีเจตนาต้องการจะเดินไม่มีเจตนาที่จะขึ้นรถไปนะครับเพราะการเดินเป็นเป้าหมายของผมเมื่อเขาเห็นผมพูดเช่นนั้นเขาก็คงมีความรู้สึกอยากคุยอยากอะไรด้วยและเขาก็เลยปลารถกันมาเขาจะมีส่วนช่วยให้ผมได้บ้างไหมผมบอกว่าเพียงแค่หยุด ทักและถามผมเนี่ยก็เป็นการช่วยผมได้เดินมีกําลังใจที่สูงมากแล้วแต่เขาก็ไม่ยอ ม, มนะครับสุดท้ายเขาก็ขอที่จะให้อาหารผมสักมือหนึ่งนะครับตั้งแต่ตอนนี้ตอนนั้นเป็นช่วงประมาณ ก, ก่อนเที่ยงโดยซ้าไปเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็พาผมไปที่ใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็สั่งอาหารให้ผมก่อนที่เขาจะขับรถไปเนี่ยนะครับเขาเอาสตางค์สองร้อบาทมาใส่ไว้ในซอกเป้ใกล้ือเป้เนี่มันจะมีซอกเล็กๆอยู่ริมเป้เนี่ยนะครับแล้วก็ขับรถหนีไปเลย ผมพบว่าสตัง200บาทเนี่ยนะครับมันเข้ามาเป็นตัวแทรกในชีวิตผมที่มหัศจรรย์มากคือจากขานุอาจากคลองขุงผมเดินไปขานุจากขานุที่ผมตัดจะข้ามถนนสาเอเชียที่มาเชียงใหม่เนี่ยนะครับเพื่อไปทางอำเภอลาดยาววันที่ผมเดินวันถัดมาอีกทีนะครับผมเดินจากอำเภอขานุอรัลักษ์ผมเดินไปจะข้ามถนนจงสลกบาทเนี่ยประมาณเวลาสักเที่ยงค่อนไปทางบ่ายโมงนะครับ แล้วตอนนั้นผมไม่มีน้ำแล้วน้ำผมหมดไปก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงแล้วผมดื่มน้ําหมดแล้วผมหิวน้ํามากตั้งแต่ตอนผ่านอําเภอขานุาวารักษณ์หิวหิวจนกระทั่งคลายคายกับเหมือนกับจะบอกทุกๆครั้งคุจะรู้สึกว่าถ้าหิวน้ํามากก็คือมันจะทําให้น้ําลายเหนียวขมแล้วก็รู้สึกหูอื้อนิดนิ ด, นดตอนนี้ผมเดินไปที่จะข้ามถนนมันเป็นไฟเขียวสําหรับทางใหญ่ให้รถบินไปผมทางผมเป็นไฟแดงผมไปยืนอยู่ตรงนั้นตรงว่ามุมตรงนั้นมันเป็นมันเป็นคิวมอเตอร์ไซค์ รับจ้างมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่3าคันตอนแรกเขาคิว่าผมจะไปจ้างเขาหรื อ, อย่างไรไม่ทราบเขาเลยถามว่าจะไปและผมบ่กผมจะเดินไปเขาก็ไม่สนใจแต่ต้องหัวมุมมันมีร้านขายของแล้วมันมีตู้แช่น้ําตู้แช่ขายน้ําทุกชนิดนะครับทั้งน้ำดื่มธรรมดา น, น, น, น, น้ําดื่มน้ำอัดลมเนี่ยผมเกิดความรู้สึกมองดูตู้แช่ น, นั้นด้วยจิตใจที่แย่มากๆเลยคือมีความรู้สึกเหมือนกับว่าก้อนเงิน200บาทที่อยู่ในเป้นเนี่ยนะเขาก็ให้เรามาเราก็น่าจะเอามาซื้อน้ําดื่มได้แล้วอะไรเงี้ย ความรู้สึกตรงนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับผมจะยอมจำนนกับความหิวกระหายแต่บังเอิญโชคดีนะครับไฟเขียวฝั่งผมมันขึ้นไฟแดงฝั่งถันไฟแดงฝั่งถนนใหญ่มันขึ้นรถทุกคันต้องหยุดผมก็เลยรีบวิ่งออกไปจากตรงนั้นคนขับมอเตอร์ไซค์สล้อคนขี่มอเตอร์ไซค์คงนึกว่าผมจะรีบวิ่งข้ามไฟแดงหรือประมาณข้ามถนนแต่ความจริงผมรีบวิ่งหนี ปิ้งมีอารมณ์ของผมที่มันอ่อนแอมากตอนนั้นเพียงแค่มีเงินอยู่2อ0สบาทในกระเป๋าเนี่ยนะครับทผมเกิดความรู้สึกเกือบไพ่แพ้ต่ อ, อตัดห ญ, ญ้าที่ตัวเองอให้ไว้นะครับเงิน200บาทนี้ผมไปให้ขอทานที่อํเาเภอสว่างอารมณ์ครับก็เป็นเงินที่มีค่าอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะขอทานที่ให้ผมนอนด้วยสุดท้ายผมก็ไม่มีอะไรตอบแทนเขาผมบอกว่าเงินนี้มีผู้ให้ผมเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะใช้และมันหนักมาก หนักจนผมแบกคือไม่ไหวเลยช่วช่วช่วชวชวเอาไว้เอาเอาไวใ้ใช้เขาก็ไม่เข้าใจเขาหนักมากของผมคือผมต้องการมาเงิน2องบาท น, นี้มันหนักหนาสะหัดบนบา่าบนไหลบนจิตผมเชละเงินเนี่ยนะครับนี่คือนี่คืออะไรที่ผมเข้าใจว่าเรื่องเงินตราเป็นเรื่องที่ละเอียดแต่ผมคงพูดเพียงแค่นี้ว่าทันที่ที่เรามีเงินหรือทันทีที่เราอยากได้เงินหรือเรากระหายเงินเนี่ยนะครับความหมายของชีวิตเนี่ยนะครับมันรู้สึกมีรสชาติที่แปรเปลี่ยนไปเลย วันวันหนึ่งเมื่อเราไม่มีเงินผมจึงได้สัมผัสรู้ว่าความหมายของชีวิตก็มีรสชาติมีความหมายที่มหัศ จ, จรรย์เมื่อปราศ จ, จรรย์เลแต่ตรงนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะบอกว่าเงินไม่มีคุณค่ามีความหมายนะครับเงินมีความหมายและมีคุณค่าแต่ว่าคุณค่าของเงินเมื่อมาผสมกับคว า, คคางง ม, มาปรมารถนาความอยากของเราทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งได้อันที่สองที่อยากจะกล่าวเป็นเชิงสรุปตรงนี้ก็คือผมก็ใจว่าในการเดินตอนนี้มันมีปัญหาหนึ่งที่ผมประสบและผมก็พบว่าเรื่องเวลานะครับ ปกติเราอยู่ในชีวิตปกติเรามีเวลาเข้ามากำกับความหมายและคุณค่าของเราตลอดเวลาเลยแต่ว่าผมก้าวเดินไปแล้วผมตั้งสัจจะอธิษฐานบอกว่าผมขอจะเจริญสติให้เป็นที่มั่นจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันธรรมเท่านั้นไม่ให้ตกไปที่อดีตหรือไม่กระสับกระส่ายกลายเป็นการปรุงแต่งเพื่ออนาคตและผมก็พยายามถือเคร่งเป็นที่สุดถ้าหากว่าไม่เกิดสิ่งที่มันเป็นสภาพปั่นปวดทั้งนอกเช่นบนถนนที่ทนนทมีรถราบลุกท่านผมก็จะไม่คิดเรื่องอื่น และถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่ตกหล่นไปผมก็ใช้วิธีแบบพระคือโปร่งอาบัติกับต้นไม้บ้างกับอะไรบ้าง ต, ตามทีนะครับจะเผลอไผลไ ป, ไปคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างการกระทําเช่นนี้ยุ่งยากอยู่เลยตอนแรกๆ แ, แต่พอไปสักระยะหนึ่งก็ทําได้แล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่มันมหัศจรรย์ที่แต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยนะครับเรามีจิตใจที่เบิกบานอยู่การก้าวอย่างทุกๆุกขณะทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวและความเป็นเวลาเช่นที่ว่านี้ที่ทำให้ความหมายของ มีชีวิตกันมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับผมก็ใจว่ามาหัศจรรย์มากและผมเพิ่งได้ประจักษ์แจ้งว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราที่มันมีปัญหามากมายสารพัดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราตกอยู่ในเงื่อนไขของการปรุงแต่งเรื่องเวลาและการปรุงแต่งเรื่องเวลามันทําให้สิ่งที่มันเป็นเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับสูญเสียขุนขาไป เพนันเมื่อผมสามารถทําโดยการปรับมาสู่ความเป็นปัจจุบันได้และผมเข้าใจพระพุธทธวาจานะที่พระพุทธเจ้ า, าท่านตรัสแสดงไว้นานมากและผมก็ท่องไว้ได้แต่ก็เพิ่งเข้าใจตอนนี้ก็คือที่พระองค์ตรัสว่าจะมีชีวิตอยู่สักร้อยปีแต่จิตใจไม่สงบนิ่งไม่เย็นเป็นสุขเนี่ยครับก็สู้มีชีวิตอยู่ราตรีเดียวที่จิตมันสงบนิ่งเป็นสุขไม่ได้และผมก็ประจกกักษ์แจ้งในขณะที่ผมเดินไปนะครับผมขอปราบเรียนท่านผู้สรงคุณูปผู้มีเกียรติทุกท่านเพียงแค่นี้ตอนนี้ผงเป็นเรื่องสัทนาใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์บุมณ์ผมคิดว่าเราก็เป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้ฟังอาจารย์บุญมณ์ได้มานำเสนอนะครับคงให้พวกเราได้พูดคุยแล้วก็อาจจะซักถามหรือว่าให้ความเห็นต่างๆนะเชิญครับผมคิดว่าผม <c oughs> ผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ของอาจารย์สุวรรณสถา น, นันเรื่องมนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออกก็ในบทสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องปรัชญาอินเดียเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดถึงว่าลักษณะความรู้แบบปรัชญาของอินเดียเนี่ยก็มีลักษณะเด่นประการหนึ่งก็คือไม่มีความรู้อันไหนดำรงอยู่ลอยๆแยกขาดจากสภาวะของการเป็นผู้รู้ในปรัชญาศาสนาของอินเดียโดยส่วนใหญ่ ก็วันนี้มานั่งฟังอาจารย์ก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นฮะว่าถึงแม้ว่าอาจารย์จะได้เล่าจนเรามีความรู้สึกหลายๆอย่างแต่ก็คงจะเทียบไม่ได้กับสิ่งที่อาจารย์ได้ไปเจอด้วยตัวเองแล้วก็ได้สัมผัสเ ป, เป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตของอาจารย์เองก็รับฟังด้วยความชื่นชมครับเ<ะ>ช่นครับเช่นครับผมว่าวันนี้เป็นเป็น จุดเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากกับกลุ่มของเรานะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของมิติทางด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ผมได้สัมผัสโดยตรงผ่านท่านอาจารย์ประมวล น, นี่นะครับฟังไปก็มีความรู้สึกที่ อยากจะให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสฟังเรื่องนี้บ้างแล้วก็อยากจะให้มีการเผยแพร่ไปเยอะๆอย่างน้อยที่สุดแว็บแรกที่ผมฟังอาจารย์พูดเนี่ยผมนึกอยู่ตอนนั้นทันทีว่าจะขออนุญาตนำสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังเอาไปให้คนที่อยู่ใกล้ตัวผมมากที่สุดคือครอบครัวผมฟัง แล้วผมก็จะทีโอกาสฟังร่วมกับเขาโดยเฉพาะกับลูกชายสองคนวัยรุ่นนะผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากแล้วยังคิดไกลไปว่าเออถ้างั้นเราเอาอันนี้ไปให้กับลูกศิษย์ฟังดูก็ก็น่าจะดีแล้วดูสิครับว่าเขาจ ะ, ะพูดอะไรออกมาบ้างหลังจากที่ได้ฟังสั้นๆที่อาจารย์พูดตรงนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากสําหรับตัวผมที่ฟังนะครับ เพราะตรงนี้คือการการก้าวเดินสู่ชีวิตใหม่ที่อาจารย์ฝ่ฝันและปรารถนาที่จะไปถึงเป็นเรื่องที่น่าประทับใจครับแล้วก็ต้องต้องขอแสดงความเคารพด้วยความกิ่งใจอาจารย์ประเวศก่อนครับอาจารย์ <c oughs> ไม่ทราบว่อาจารย์บันทึก เรื่องทั้งหมดนี้ไว้หรนะือยังถ้าเขียนเป็นหนังสือเล่าเรื่องแต่มะจะน่าสนใจเพราะว่ามันจะตรงข้ามกับกระแสวัตถุดิยมบริโภคนิย ม, ยมเงินดิบยนตที่กําลังไหลอิบาทั่วนลยแต่ขนาดเดียวกันมันกําลังกอบความทุกข์ความวิกฤตให้ผู้คนทั้งโลกเลยถ้าอาจารย์เขียนเป็นหนังสือเนีคนได้อ่าน จ, จะน่าสนใจบางคนอาจจะไปทําการต์ตูนต่อก็ได้ ก็เรื่องอยานาสัจจะมีคนผู้หนึ่งเดินไปไ ป, ไปถึงไหนไหนไหนตา่างหรือแม้แต่ว่าตอนหลังคนอาจจะไปทำเป็นวิดีโอเป็นหนังคนจะได้เข้าใจเป็นการเอาชีวิตไปสัมผัสธรรมชาติอาจจะคล้ายกับที่หลายแห่งกำลังทำแต่ว่าน้อยกว่าในน้อยกว่าในความเข้มข้นที่เรียกว่า Retreat ไปอยู่ในปาไปอยู่ในทะเลทรายคนเดียวสัมผัสกับธรรมชาติดูใจของตัวเองเข้าใจว่าเขาทำกันประมาณเท่าไหร่นะสองอาทิตย์ใช่ใชอันนี้อาจารย์หกสิบกว่าวันก็อันนี้ก็เข้มข้นกว่าผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าหลังจากอาจารย์กลับมาแล้วจากเดินทางเนี่ยรู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยขณะที่เดินทางหรือว่ามันมีจุดที่เปลี่ยนบุ๊บเลยเปลี่ยนบุ๊บเลยทันทีเลยหรือเปล่าครับขอบพระคุณมากอาจารย์ครับคือช่วงผมเดินไปส่วนใหญ่ขณะเดินผมจะไม่ได้คิดมีแต่ความรู้สึกกับสภาวะธรรมที่ปรากฏช่วงที่อ ย, อยากจะคิดได้คือช่วงได้หยุดพักแล้วก็คิดแล้วผมจะมีสมุดโน้ตนะครับพร้อมกับมีข้อสัญญากับภรรยาผม ซึ่งตอนนั้นเราไม่แน่ใจว่าผมจะมีชีวิตจบลงหน้าที่ใดเนี่ยนะครับเพราะตอนที่ผมกอดภรรยาณจากลาเนี่ยนะครับถือว่าเราเดินทางไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดก็คือผมทําไปอย่างหนึ่งก็คือเขียนไปเสนิบัติวันละ1แผ่นหรือเป็นอย่างน้อยนะครับบางวันเขียน2หรือ3แผ่นถ้ามีที่นั่งเขียนและมีแสงไฟได้ช่วงนั้นนะครับจะได้คิดและขณะที่ช่วงคิดเนี่ยนะครับผมกระพบว่ามันมีความหมายเพราะว่าขณะที่เดินผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับ บางครั้งผมไม่รู้เลยเช่นตัวอย่างนะครับวันที่ผมเดินช่วงที่มาจากแม่แจม่ม <c oughs> คือผมเดินจากเชียงใหม่เข้าจอมทองขึ้นอินทนนจากอินทนน์ไปแม่แจม่มจากแม่แจ่มมามอำเภอฮอตโชคที่ผมเดินจากแม่แจ่มมานอนค้างคืนที่หลงป่งจากหลงโป่งผมเดินเข้าฮอดเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เดินขาลงนะครับและตอนนั้นผมเป็นไข่เนื่องจากตอนขึ้นไปอินทนนเนี่ยอากาศมันหนาวมากและผมะเผชิญกับอากาศที่ผมรับไม่ไหวมันหนาวจนผมเป็นไข้ ผมมานอนเป็นไข้แต่ผมก็เดินต่อทีนี้ช่วงเดินต่อเนี่ยมันเป็นช่วงที่เดินดีมากเพราะมันไม่มีรถเรื่องเกี่ยวกับเส้นนั้นรถมันน้อยผมก็ทําสมาธิได้ดีมากเดินแบบ18กิโลผมไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นระยะทางที่ไกลทีนี้พอมามีรถคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกก็หยุดถามผมเพราะเขบอกเ้าเมื่อวันก่อนเขาเห็นผมที่แม่แจ่มเดินอยู่วันนี้ผ่านมาอีกวันเขามาเห็นอีกเขาเลยสงสัยเลยหยุดถามพอหยุดถามทําให้เขาเกิดความรูม้สึกอยากคุย เขาให้ผมไปด้วยผมก็บอกผมจะเดินอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็พอคุยกับพอแล้วทำให้ผมต้องออกมานั่งมาหยุดช่วงหลังจากเจอรถคันนั้นแล้วผมเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไหลของผมบาของผมเนี่ยมันปวดจนกระทั่งว่าเอามือไปแตะเนี่ยมันยังรู้สึกปวดเลยครับเพราะมันผายเป๊แล้วผมเดินมาทีนี้เวลาเดินขาลงมันเหมือนกับว่ากระแทกเป็นตลอดนีนะครับและผมเดิ น, นเก้าย า, ยาวๆช่วงที่รู้สึกปวดเนี่ยผมรู้สึกทรมานมากเลยครับมีความรู้สึกทรมานมากๆจนผม ไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วมันทรมานมากแล้วผมจึงได้รู้ว่าเวลาเราไข่ครวนตรงนั้นเนี่ยนะครับจนผมพยายามสารพัดนะครับเพื่อจะกําจัดความปวดสวดมนก็สวดนะครับท่องผมจำได้ว่าผมท่องคอาถาหรือจะเรียกว่าท่องมนเนี่ยนะครับเพราะผมมีความผมอ่านปริยามปรมิตาหารุไทยสูตรและผมมีความรู้สึกว่าผมประทับใจในบทมนนั้นมากคือไม่ได้ประทับใจในความหมายเพียงแค่ว่ามนนั้นศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนมหายาน แต่ผมประทับใจความหมายของมนั้นด้วยที่ที่ผมจับฟามได้เนี่ยมนบทนั้นที่บอกว่าคาเตคาเตปาราคาเตปาราซังคาเตโพชิสวะผมก็เดินภาวนามนบทนี้นะครับคือนึกเป็นในใจว่าเราจะข่าไม่พ้นความทรมานความทุกข์ความเจ็บปวดนี้ให้ได้ไปสู่ฝากฝังที่เราจะมีหยิตที่ผ่องไสเบิกบานให้ได้ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดสักเพียงใดและความรู้สึกแบบที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ท่ามกลางความเจ็บปวดและความรู้สึกแบบนี้มันมาปรากฏเมื่อผมหยุดพักแล้ว หยุดพักแล้วว่าผมเดินเท่ากับความเจ็บปวดเมื่อผมไปพักแล้วเนี่ยนะครับผมรู้ว่าผมร่างกายีนจุดจะทรมานเต็มทีแล้วแต่ผมก็ไม่รู้สึกตอนนั้นนี่คือตัวอย่างที่ผมมาคิดตอนหลังเนี่ยนะครับและทุกๆช่วงก็จะพบถึงความรู้สึกที่ผมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเปลี่ยนแปลงเช่นผมบางครั้งผมมีความรู้สึกผมมีความรู้สึกอ่อนไหวมากเช่นผมเดินไปวันหนึ่งแล้วผมไปเห็นงูบนถนนนะครับที่ถูกรถเหยียบและมันไม่ตายทีเดียวนะครับ ต ร, ตรงกลางลำตัวงูนี่เราเรถทับแบนแล้วแต่ส่วนหัวก็ส่วนหางนี่ยังยั ง, ย ง, ยงแสดงอาการว่ายัางมีชีวิตอยู่และพยายามที่จะแสดงตนว่ายัางมีชีวิตอยู่ผมยืนดูและผมร้องไห้ผมไม่ได้เสียแซงว่าผมแกล้งใจเอบใจอ่อนไม่ใช่นะครับแต่เป็นความรู้สึกทลดสังเวชกับชีวิต ที่ที่ที่มันเป็นอาการเช่นนั้น น, นะครับควารู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ผมก็ไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนและปกติผมกลัวงูมากนะครับในชีวิตส่วนตัวผมก่อนหน้าที่ผมจะเป็นเช่นนั้นผมกลัวมากๆเลยและความรู้สึกนี้ผมก็ไม่รู้ผมเปลี่ยนจนวันหนึ่งเมืผมเป็นนั่งอยู่ที่วัดกูโมงนะครับกุฏิที่ผมอยู่มันอยู่ในป่าและวันหนึ่งผมได้ยินเสียงมือนกับใบไม้มีอะไรกบบระทบตอนแรกผมคิดว่าเป็นเต่าเพราะเต่าจะเดินผ่านกุฏิเพื่อไปลงสระน้ําอยู่เสมอ แต่ปรากฏว่าพอมันดังอยู่สักพักแล้วมันไม่ผ่านไปสักทีผมเลยหันไปดูปรากฏว่ามีงูตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับมันเลื้ยไปเลื้ยมาตอนแรกผมทํำท่าผมก็ว่าจะเคยตกใจแต่พอรู้สึกเหมือนก็บว่างูตัวนี้กับงูที่ถูกรถทับเนี่ยก็เป็นงูด้วยกันนะน่าสงสารผมนั่งดูงูตัวนั้นแล้วมหัศจรรย์มากงูตัวนั้นกำลังพยายามจะลอกคราบแล้วก็พยายามเลื้ยไปเลื้ยมาให้ผ่านซ่อหินเพื่อให้มันคราบหลุดออกมาจากตัว ผมมีความรู้สึกที่ดีกับงูจนไม่เคยคิดมาเลยว่าในชีวิตนี้อ่ะที่ผมเคยรังเกียจเกลียดงูเป็นที่สุดเนี่ยและมาวันนี้ผมเหมือนกับถ้าช่วยได้ผมอยากจะไปช่วยยังไงสักอย่างนึ ง, งให้งูลอกคราบได้เสร็จได้เร็วๆเนี่ยนะครับแต่เมื่องูลอกคราบจนเสร็จใช้เวลาประมาณสัก20นาทีได้นะครับผ่านไปผมก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วรู้สึกเป็นสุขที่สุดผมไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนแปลงอะไรมากเวลามีใครมาถามผมผมก็ไม่รู้ผมบอกว่าผมก็ไม่รู้ผมเปลี่ยนแปลงอะไรบัาง แต่ผมพบอันหนึ่งที่ผมเคยฟุยกับคนใกล้ชิดว่าผมพบอันหนึ่งว่าเช่นตัวอย่างชีวิตผมเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่อยู่กับภรรยามีความรักมีความสุขกันมากๆนะครับจนเป็นแบบอย่างให้เพื่อนฝูงชอบล้อเรียนเสมอหรือนักศึกษามากคนก็บอกว่าอยากจะมีชีวิตคู่แบบผมบา้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็นึกว่าผมรักภรรยามากเลยนะครับ แต่ผมกลับพบ ว, ว่าหลังที่ผมเดินกลับมาเนี่ยผมมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ถึงกับตำหนิออกมานะครับแต่ผมจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเชิงตำหนิเช่นเวลาภรรยาเขาชอบไปทานอะไรที่มันแปลกๆไกลๆอะ่ะแต่ผมมีความรู้สึกว่าทําไมเราต้องไปสูญเสียเวลากับการเดินทางไปไกลขนาดนั้นทําไมเราไม่ทานอาหารที่มันอยู่ใกล้ๆเส้นทางที่เราจะกลับบ้านเพราะว่าการทานอาหารมันไม่ใช่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับ แต่พอผมกลับมาผมกลับพบว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของภรรยาเนี่ยผมมีความรู้สึกเป็นความสุขมากเลยที่อยากจะทําเพราะฉะนั้นเวลาภรรยาเพียงแค่เปรยว่าไอ้วันนี้เราจะไปกินอาาอะไรกันดีผมก็เ ก, กิดรู้สึกว่าแสดงความเป็นโจทย์แล้วผมบอกว่ากินเลไปกินที่ไหนใกล้ๆยิ่งด <c oughs> <c oughs> ไีไม่ใช่ไ <c oughs> ม่ใช่เพราะผมอยากกินผมมีความสุข <c oughs> มากๆ <c oughs> ผมผิดมากเลยเมื่อก่อน <c oughs> ที่ผมเอาฟาร์มใกล้ๆเนี่ยนะครับมาตัดรอนอะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นความสุข แล้วผมกลับพบว่ากลับพบว่าการที่เราทําอะไรเพื่อคนที่เรารักเป็นความสุขของเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่ผมอยากทำมากเลยและมันเป็นเรื่องตลกมากเลยวันหนึ่งภรรยาเนี่ยช่วงฤ ด, ดูร้อนที่ผ่านมาเขาไม่สอนหนังสือก็บอกว่าก็าอยากไปเที่ยว ผ, ผมไปเลยผมจัดกระเป๋าให้เสร็จไปเลยแล้วผมไม่เคยขับรถไกลขนาดนะี้และผมขับรถไปทั่วประเทศไทยเลยยี่สิบเอดวัน พาภรรยาไปเที่ยวได้บอมคำจริงจะไปไกลกว่านั้นอีผมล้มไข้เป็นไข้ต้องหามส่งโรงหมอเ <c> พ <oughs> ราะว่าผมอยู่บนรถแล้วก็เป็นแอร์แล้วผมไม่ชอบแอร์ผมเป็นคนที่ไม่ชอบแอร์คอนดิชั่นลงมาแล้วต้องอยู่ทั้งกางวันอย่างเงี้ยนะครับผมเราตรงนี้ไม่ใช่ต้องการจะบอกว่าผมเป็นสามีที่ดีขึ้นเดแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่ผมมีความรู้สึกว่าความหมายของชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับที่ผมนอนกับหมาขี่เรือนแล้วผมมีความสุขะเพราะมันทําให้หมาที่เรือนมีความอุ่นการที่เรามี ความสามารถที่จะมือเป็นรูปหนังมันได้มันเป็นอะไรไใช้หมามีความสุขแต่ทันทีที่หมามีความสุขมันทําให้การหลับของเราก็มีความสุขและผมพบว่าขนาดม้าที่เลื่อนเรายังมีความสุขเลยมันมีความสุขด้วยเนี่ยแล้วทาไมภรรยาที่เราที่เรารักเช่นละเกินเนี่ยนะครับแม้กระทั่งจะออกจากบ้านจะเดินอะไรนี่ต้องรอให้ภรรยามีความสุขก่อนแล้วจะออกไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือ ผมมีความรู้สึกว่าชีวิตผมจะมีความหมายมีความสุขที่ดีมากการได้ทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่เรารักไม่ว่ากับภรรยากับเพื่อนฝูงหรือกับนักศึกษาผมมีความคิดเพราะหลังจากที่ผมเดินมาครั้งนี้แล้วสิ่งที่ผมจะทําต่อไปผมจะเดินไปให้ทั่วประเทศไทยนะครับถ้าสมมุติว่าการเดินไปตรงนั้นแล้วจะมีใครสักคนหนึ่งมีความสุขเช่น <c oughs> คนแก่ที่ท่านไม่สามารถจะเดินไปไหนได้แล้วผมจะและท่านคิดว่าท่านอยากจะฟังเรื่องราวของผมผมก็จะไปเดินไ ป, ออไปเล่าให้ท่านฟังโวยการเดินไป เพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับความหมายที่สําคัญมากๆก็คือชีวิตของเรามันจะมีความหมายต่อเมื่อเราทําให้มันเกิดสิ่งที่งดงามดีๆขึ้นในจิตใ จ, จของผู้อื่นหรือในในสิ่งอื่นๆทั่วไปผมผมไม่ทราบ อ, อาจารย์ตอบอาจารย์หมอประเวศได้หรือเปล่าแต่ทีนี้ความรู้สึกมันเป็นระดับอย่างนี้ครับผมจอธิบายอยากจะข อ, อ <laughs> ที่ม <laughs> ผมคิดว่าขนาดนี้ทั่วโลกเนี่ยโดยวิธีการที่เราเรียนมันเนี่ย เราจะใช้เหตุผลนำจะรู้ตัวไม่รู้ตัวกันแหละแต่ทั้งโลกทำอะไรต้องมีเหตุผลคิดต้องมีเหตุผลที่นี้การใช้เหตุผลนำนมันก็นำไปสู่การสร้างความรู้วิทยาศาสตร์อะไรแต่อะไรที่มหาศักดิ์แต่การใช้เหตุผลเนี่ยมันตกไปสอนหน้าของกิเลส ไ, ได้ง่ายนะครับ มันก็เกิดการใช้เทคโนโลยีเป็นอำนาจไปเที่ยวทํากับผู้คนต่างๆการใช้เหตุผลนี้ไม่มีพลังพอที่จะต่อสู้กับกิเลสในตัวหรือบางทีกับตกเป็นเหยื่ออีกแล้วโลกก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยถึงแม้จะคิดเครื่องบินได้คิดนู่นนี่ได้มหัศจรรย์ต่างๆแต่ว่าโลกก็แตกเป็นเสียงๆเพราะการใช้เหตุผลเนี่ยมันทําให้แยกส่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเกิด ก, การเปลี่ยนแปลง เดิมนี่ใช้เหตุผลที่ว่าภรรยาจะไปกินอะไรเอ๊ะทำไมต้องไปกินอย่างนั้นมันไกลเสียเวลามันคุ้มหรือเปล่านี่คิดด้เหตุผลแต่ตอนหลังนี้เปลี่ยนเป็นใช้ใจนำํำบางิดว่าโลกขนาดนี้ที่ที่ผมดูแล้วสรุปเนี่ยว่าที่โลกยุ่งเนี่ยมันใช้เหตุผลนำแต่จริงๆต้องใช้ใจนําแล้วเหตุผลตา ม, ตามนะขนาดนี้เหตุผลมันนําก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่นําอยู่เนี่ย พิสาราอาจจะมีความดีของมันแต่ไม่ใช่เป็นตัวตั่ำน่าจะต้องเป็นตัวใจใจเป็นตัวตั้งแล้วก็เหตุผลก็ต่ำผมคิดว่าที่อาจารย์เขียนมันเปลี่ยนจาก <c oughs> เดิมใช้เหตุผลที่ตามปริญญาเช่างอย่างนี้มันควรทําตลาดที่เป็นเป็นใจะใจที่เออมันมีความเมตตาการอยู่ร่วมกันใน่างเงี้ยต่างๆ่างแ่ผมผมคิดว่าใจจุด จุดสำคัญของโลกนะ่าจะอยู่ที่ตรงนี้น่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานซึ่งอาจจะฟังดูยากและก็หลายคนคงไม่เห็นด้วยคือไม่ใช่เหตุผลเป็นตัวน้ำแต่ใช้ใจน้ำผมผมฟังอาจารย์ประมวลแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความอ่อนโยนต่อชีวิตที่มันเกิดขึ้นอย่างมากที่ ทำให้เราเข้าไปสัมผัสในชีวิตอื่ น, เ, นเปลี่ยนไปจา ก, จากเดิมที่อาจจะละเมิดเขาได้ง่าย<ๆ>ก็มีความอ่อนโยนขึ้นว่ามันกับหมาขี้เลืน้น ก, ก็เป็นชีวิตกับงูกำลังจะตายก็เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าชีวิตมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปละเมิดมันไม่ได้ก็ไปได้สัมผัสเรื่องราวก็ยิ่งทำให้มีความละเอียดอ่อนในชีวิตของสรรพสิ่ง มีความอ่อนโยนกับชีวิตทุกๆชีวิตมากขึ้นยิ่งกับชีวิตของคนที่อยู่กับเรามาหรือว่าได้คอยดูแลเรามาเราก็จะยิ่งอ่อนโยนขึ้นนะก็คิดว่าน่าน่าสนใจฮะภรรยาทั้งหลายได้ยินแล้วคงอยากให้สามีไปเดินไปเดินผมคิดว่าวันนี้ทุกๆท่านคงจะเห็นด้วยกับผมว่าเราได้ฟังอะไรที่ วิเศษมากๆวันหนึ่งทีเดียวผมเป็นนักฟังปาตกถาอภิภปรายมากๆแต่วันนี้ผมรู้สึกจับใจ จ, จับใจในความจริงใจและในสัจธ ร, รรมที่อาจารย์ประมวล น, นำมาให้เราและอยากจะขอเรียกเล่นๆ ว, ว่าวการเดินทางของาจารย์ครั้งนี้นั้นนะ่ะเป็น spiritual journey คือเป็นการเดินทางเพื่อค้นพบสัจธรรมทางจิตวิญญาณ โดยแท้จริงอันนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ที่อย่างอื่นที่ปรุงแต่งวิเศษวิสา拉ทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีความหมายเท่าไรหรอกแต่ความหมายที่แท้จริงอยู่ที่เราเห็นคุณค่าของชีวิตสัมผัสชีวิตด้วยความอ่อนโยนคำของคุณหมอนะฮะด้วยคํา อ, อ่นโยนจึงเข้าถึงความจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่คนธรรมดาสามัญเพื่อไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ผมเลยมีคำถามอยากเรียนถามถึงความรู้จักอาจารย์นะว่าสมคิดว่ากว่าที่จะมาถึงขั้นนี้ที่อาจารย์ตัดสินใจออกเดินทางแล้วก็คนพบอะไรดีๆในชีวิตขนาดนี้เนี่ยผมมีสมมติฐานว่าอาจารย์ได้สั่งสมบา ร, รมีในทางธรรมมามากพอสมควรไม่ว่าจะเรียนอะไรประสบการณ์ที่ไหนอาจารย์เก็บสะสมไว้เป็นทุนในจิตของอาจารย์ค่อนข้างมาก การเดินทางของอาจารย์จึงไม่เหมือนคนอื่นต้องถือว่าเป็นการเดินประพฤติธรรมและคนพบทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่หมาขี่เดือนซึ่งก็มีคุณค่าและความหมายอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึปกประทับเจและรู้ที่วิเศษมากของอาจารคือที่เผื่อแปรให้เราคือว่าอาจารย์ค้นพบความเป็นมนุษย์ที่แท้แม้แต่กับคนที่ยากไร้ไหรือมาขี้เดือนก็มีจิต ที่สามารถสัมผัสได้ว่าเขามีจิตที่งามดูว่าไร้การศึกษาดูว่าประเดจอดดูว่ายากจนค่มแค้น แ, แตจริงๆนั่นคือคนณสมบัติของมนุษย์ที่แท้ที่จะเป็นคนพบการประสบ ป, ประการณ์ของอาจารย์เนี่ยผมผมรู้สึกว่ามีคุณค่าสูงมากควรที่คนจะได้ได้อ่านได้ฟังมากทีเดียวแต่สิ่งผมพิจารณา อ, อย่างหนึ่ง คือถ้าพิมพ์เป็นเล่มแล้วคนได้อ่านเนจะมีคนจานวนหนึ่งเข้าถึงแต่อ่านเร็วๆอ่านผ่านไปอ่านเอาเรื่องเนี่ยเข้าไม่ถึงต้องอ่านอย่างพินิษจถึงจะเข้าถึงทุกไถ่คำก็เลยก็คงจะดีแน่คงคงไม่มีปัญหาแต่ว่าดีที่สุดคือ้อ้ฟังจากอาจารย์เองเพราะว่ามันมีอีกภาษาหนึ่งคือ personality กริยาท่าทีและความจริงใจที่อาจารย์แสดงออกมาเรียบเนี่ยมีค่าสูงกว่าตัว ผมเลยคิดวคงต้องทำสออย่างประกอบกันอย่างที่เมื่อเร็วๆนี้เราได้เห็นตัวอย่างเอที่คุณหมอและหลายๆท่านไปไปไต้หวันมานะฮะแล้วเอาภาพของอท่านเรียกอะไรนะฮะเทคโนโายนั่นนหะครับเอามาให้เราดูเนี่ยผมผมดูบุคลิกท่านแล้วเนี่ยมันมีความหมายและเป็นภาษาที่มากกว่าถ้อยคําตอนนี้ผมก็เลยฝากไว้ด้วยว่ามันจะ น่าจะต้องไปด้วยกันจะด้วยวิธีการยังไงก็สุดแล้วแต่ก็เลยทำไม่คิดถึงคำของนักปราชญท่านหนึ่งผมจำไม่ได้กับใครแต่จำอยู่ในจิตผมความเขามาว่า the media with the message คือท่าทีกริยาถ้อยคำที่เป็นบุคลิกของแต่ละคนเนี่ยมวนสื่อความหมายมากกว่าถ้อยคำนี่เป็นประเด็นที่ผมได้เรียนรู้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็อยากอยากถามอาจารย์ ช่วยเล่าต่ออีกนิดว่าอาจารย์สั่งสมระบบการเรียนรู้ของอาจารย์ไว้ยังไงก่อนที่อาจารย์จะตัดสินใจออกเดินเนี่ยการเดินของอาจารย์ถึงมีความหมายมากขนาดนี้ อ, อันที่สองเป็นคอมเมนต์สั้นๆเดียวคือประสบะการณ์การเดินของอาจารย์ทำให้ผมคิดถึงนักปราระดับโลกท่านหนึ่งที่ผมนับถือมากคือเฮนรี่เดวิดซาร์โรท่านผู้นี้อยู่กับธรรมชาติแต่ที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือ การเดินท่านผู้นี้นิยมการเดินและการเดินของท่านไม่ใช่วอลกิ้งแต่ท่านทำซอนเทริงคือเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติรอบตัวเดินเพื่อ ศ, ศึกษาจิตของตัวเองเดินอย่างมีสติคมทุกขณะจิตเดินแบบนี้ท่านเถอว่าเป็นการเจริญสมาธิที่วิเศษมากแต่ไม่ได้พูดภาษาชาวพุทธพระพนมเกิดรกว่าทาพุทธต่ สิ่งที่ท่านสื่อเลยผรู้สึกว่ามาตรงกัที่อาจารย์ปฏิบัติมาแล้วนในการเดินทางครั้งนี้สุดท้ายคืออยากจะถามอาจารย์เป็นคำถาม ท, าที่สองนะว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาจารย์คิดอะไรและตั้งใจจะทำอะไรอีกนะครับและถ้าคิดและทำแล้วจะเผื่อแผ่ไว้พวกเราได้รู้ด้วยก็ก็ยิ่งดีก็เป็นสองคำถามอจางครับก่อนอาจารย์จะตอบผมอยากจะขอเพิ่มประเด็นเข้าไปในนี้ด้วย คือในในแง่หนึ่งอาจารย์ก็เรียนมาทางนันปรชัชญานะครับแล้วเท่าที่ผมรู้เนี่ย <c oughs> พวกบรรดา น, นักปรชัชญาทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ก็มักจะมีชีวิตที่เดียวดายแล้วก็เหี่ยวเฉามาก <c oughs> หลายคน <c oughs> ที่เรารู้อย่างเช่นแม็กม์เวบเบอร์เนี่ยก็เธอเป็นนักปรชัชญาสังคมที่สําคัญ <c oughs> ชีวิตก็มันจะไม่มีมันไม่มีความ ความลุ่มลึกเท่าไหร่คือเขาก็จะโผล่มาที่ตึกของสำนักงานทุกวันเวลาเดียวกันจนคนใช้เป็นนาฬิกาได้คือเจดโมงก็มาเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็เลิกก็กลับไปนักปฎิยายจํานวนมากก็จะคล้ายกันก็คือเป็นพวกที่ถึงที่สุดแล้วไม่เหลืออะไรไว้ให้ศรัทธาได้ก็คือจะไปเที่ยววิเคราะห์หรือว่าหรือหรือว่าทําความเข้าใจมันจาก มุ ม, มองที่พอไปถึงที่สุดแล้วก็ไม่เหลือที่ทางสําหรับสัตยาอยู่เฉั้นพอมันไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ยชิปพวกนี้ก็เหมือนกับมันมันเดนมากมันมันมันไรอะไรมิติเพียงเลื่อนไป ม, นมันเดนก็แปลว่าสา ม, มารถมันสา ม, มารถมันสามานมากามมา ก, ก็อย่ า, ยาให้อาจาร ได้ลองเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าในแง่ที่อาจารย์ไปเรียนปรัชญาจากทางอินเดียซึ่งก็อย่างที่ได้พูดไปตอนต้นว่าก็จะเน้นเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวมันระหว่างความรู้กับผู้รู้หรือสภาวะของการรู้เนี่ยเปรียบเทียบกับความรู้ปัชญาในแวดวงนักปัชญากับการไปเดิน60วันจากเชียงใหม่ถึงเกาะสมุยของอาจารย์เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทําให้อาจารย์มองเห็นเรื่องการศึกษาเชิงปรัชญาที่เป็นอยู่ยังไงด้วย ผมกลัวจะลืมก็ตอบอาจารย์เอกวิศย์กรนะครับคําถามที่สองผมตอบเลยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นในช่วงขณะอะจะได้วันสุดท้ายของการเดินก็ได้คือผมเป็นนอนที่วัดสวนโมกกับพรรามตอนเช้าขึ้นมาผมก็กราบเข้าไปกราบลาท่านอาจารย์โพคท่านมีความประสงค์ให้ผมนอนต่อแต่ผมบอกว่าผมขอเดินให้ถึงแล้วผมจะกลับมานอนกับอาจารย์ในช่วงหลังท่านบอกก็ได้อย่างนั้นก่อนผมจะจากลาท่านมาท่านใช้คําพูดเหมือนกับเป็นโอวาทกับผมว่า ชีวิตนี้เป็นสิ่งมีค่าที่หาได้ยากขอให้ใช้ชีวิตนี้อย่างปกติเย็นเป็นสุขให้เกิดประโยชน์ช่วงขณะที่ผมเดินจากวัดสวนโมกกับพรารามไปถึงท่าเรือที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทาง52ามิบสกิโลเมตรผมเกือบ ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนั้นเพียงแค่ใคร้ครวนกับความหมายที่ท่านอาจารย์โพพูดให้ผมฟังและผมก็เลยได้ข้อสรุปคืนนั้นว่าผมนอนในเรือเนี่ยนะครับว่าหลังจากนี้ไปผมจะต้องมีชีวิตอยู่